ท่านฟังที่เคารพค่ะเมื่อผ่านไปสําหรับช่วงของท่านมาร์กตอนนี้ก็เป็นเวลาที่จะมาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุ้ทวจนะกันอีกแล้วนะคะเราจะได้เข้าใจชัดเจนกันมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับคําสอนของพระศ า, าสดาโดยเฉพาะในส่วนที่ที่ท่านเชื่อว่าคนเราเนี่ยบางครั้งจะมองแบบแยกส่วนทํากับธรรมโลกกับโลกก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าทํามมันไม่เกิดประโยชน์กับโลกที่เราสัมผัสอยู่แล้วมันดูเหมือนกับว่าเป็นสัมผัสส่วนใหญ่ของเราเนี่ย ก็ไม่ค่อยอยากจะรับหรือว่าไม่เห็นคุณค่าเราจึงจะหยิบยกมาให้เห็นนะคะว่ามีความเกื้อกูลมีคุณค่าซึ่งกันอย่างไรและในขณะเดียวกันสำหรับคนที่สนใจวิธีธรรมล้วนๆเช่นเรื่องของการปฏิบัติอย่างนี้นะคะเราก็จะมีการไขข้อห้องใจให้กับท่านด้วยตอนนี้ไปพบกับพระพบูลอภิปุนโนกันได้เลยคะ่ะมิ้งสกันค่ท่านคะเดินปาน ในเร<ก>ื่องที่คุณโยมติ๋วพูดมาสักคูลุ น, นี้ออกมาว่าถูกต้องมากๆเลยแตนะที่บุคคลส่วนใหญ่เขาจะแบ่งว่าอันนี้โลกนะอันนี้ธรรมนะซึ่งจริงๆพุทธเจ้าก็ไม่ได้แบ่งอย่างนั้นนะพรทธเจ้าแบ่งเป็นส่วนที่เป็นคือโลกกับธรรมนี่คือคือทำหมดเดียวกันใช่ไหมโลกกับธรรม8ใช่ไหมอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่นิยมพุทธเจ้านิยมพูดมากก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับของหนักแล้วก็ส่วนที่เป็นระรับโลกุตระระซึ่งทั้งทั้งสอันนี้มันสอดคล้องกัน บา ง, งคําไห้บางคนคิดว่าโลกก็โลกทําก็ทําซึ่งมันมีแต่ธรรมะทางนั้นแหละคือธรรม ะ, ะที่ควรละ ก, กับธรรมะที่ควรทําให้เจริญอืมค่ะอ๋ อ, อคือหมายถึงว่าถ้าพูดแบบลูกศิษย์พระพุทธเจ้าที่เข้าใจคําสอนอะจะต้องบอกว่าโลกใบนี้ล้วนแต่อยู่ภายใต้ธรรมใช่เป็นธรรมะเป็นธรรมสองด้านใช่ธรรมะที่ควรละ ก, ก็มีธรรมะที่ควรทําให้เจริญทําให้มากก็มีอย่างงี้ค่ะ ค่าะถ้าอย่างนั้นด<ม>ิฉันการกาบเรียนถามนะคะก็คือมักจะต้องตอบคำถามในลักษณะนี้อยู่เสมอมเช่นทำไมนักเมืองมันสังคมนี้มันเร<ม>ืวทำไม อ, อะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ม>ซึ่งดิฉันเนี่ยมักจะมักจะคิดถึงว่าในสังคมใดก็ตามมันจะมีสองด้านใช่ แบบนี้มันเข้าข่ายเรื่องว่าโลกเดียวกันกับที่พระพุทโธตรัสว่ามีทั้งทำที่ควรละและทำที่ควรทําให้เจริญนะครับมันก็ต้องมีก็ได้ต้องมีบรรทัดฐานในการวัดนะอย่างเช่นกรณีของผู้เช่าพูดถึงสองด้านเนี่ยคือพูดถึงปัญหาที่เราเจออยู่ตลอดเวลาคือเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมค่ะอย่างคนดีคนไม่ดีที่เราพูดถึงนักกันะกเมืองอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีบรรทัดฐานในการวัดนะก็คือเอาเรื่องของศรรษษีลสมาธิปัญญามาวัด ถ้าต่ํากว่านี้ก็คือมันก็คือสอด้านนั่นแหละแต่ว่าเกณฑ์ในการวัดอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละสังคมแต่ล ะ, ะประเด็นน ะ, ะก็เท่ากับว่าในทุกๆ ท, ที่มันมีทั้งบวกแล้วก็ทั้งลบใช่แต่เรามีเกณฑ์ในการจับถ้าตามพระพุทธศาสนาก็เอาเกณฑ์เรื่องของศีลสมาธิปัญญาเข้าไปจับใช่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้คุณโยมติ ว, ว่าถ้างั้นนี่ยทํายังไงเราถึงจะหลุดพ้นจากทั้งสองส่วน นะคือถ้าราบอกว่ามันมีตรงกันข้ามกันเนี่ยอันมีก็มีอมีก็มีที่ไม่มีก็มีใช่ไหมมีที่มันจะหลุดพ้นจากทั้งสองอย่างเนี่ยมันมีอยู่เหมือนกันนะนั่นคือนิพพานไงค่ะทีนี้บางคนก็เลยไม่เข้าใจอืมเพราะว่าถ้าควรละให้ละไปเนี่ยเข้าใจมากเลยเพราะมันไม่ดีอทํ า, าทส่วนเนี้ยถูกไหมคะใช่อ่าท่านฟังค่ะคำว่าทำในที่นี้หมายความว่าเห็น <ทำ S 2> ไหมคะท่านสังเกตให้ดี <c oughs> มีทั้งดีและไม่ดีเลยใช่ พราะบางคนจะพูดถึงธรรมปุ๊บเนี่ยธรรมธรรมคนนึกถึงธรรมะธรรมะคนก็นึกถึงว่าความดีงา ม, มแต่ธรรมอันนี้กับธรรมะที่คนนึกถึงว่าเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความดีงามเนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันยังไงกันคะธรรมในที่นี้คือก็อเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะค่ะ อ, อ, อย่างเช่นกุศลธรรมก็มีอกุศลธรรมก็มีก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นในที่นี้ธรรมนี้เนี่ยหมายถึงว่าธรรมชาติถูกไหมคะ ที่แบ่งเป็นสองส่วนนะคะทีนี้เมื่อมาพูดถึงว่าทำเมื่อกี้นี่บอกทาควรละละไอ mm hmm. ควรละในเข้าใจนะคะแต่บอกว่าก็ในเมื่อบอกทำควรทาให้เจริญก็มีและท่านจะไปพูดถึงว่าการจะทิ้งทั้งสองอย่างทั้งไอที่ควรละและที่ทำให้เจริญได้เพื่อไป mm hmm. หาิพาลเนี่ยบางคนก็เลยบอกงงแอ oh. ในกรณียังไม่ค่อยได้ศึกษานะคะอ่า uh uh. คือเราพูดถึงกุศลและอกุศลนะยกตัวอย่างเช่นนะอกุศลเราก็ไม่ไม่เอาละกุศลเราก็จะเอาละทีนี้ไอ้สองอยงอย่างนี้มันตรงกันข้ามกันอยู่ประเด็นก็คือว่าไอ้อ ก, อกุศลธรรมเนี่ยมันก็มีความที่แบบมันจะเสริมเป็นอกุศลธรรมได้นะคือเมื่อไหร่ที่เราประมาทมีเพื่อนชั่วบ้างลืมไปบ้างไม่เห็นโทษในภยัยแม้เพียงเล็กน้อยอย่างเงี้ยบางที่เราตกต่ำได้ความดีนี่มันก็ละไปได้เหมือนกันนะค่ะ ซ, ซึ่งอ น, นี้เราเห็นนะเป็นประจำ เ, เราแค่บางทีเผลอเลิกินน้ำกินข้าวมากหน่อยน้ําหนักมาเพิ่มะบางทีก็ลดไปบางทีก็เพิ่มมาซึ่งทําให้ตรงนี้แหละคือความทุกข์ความทุกข์ของกุศลธรรมนี่คือความที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้มันไม่ตั้งอยู่คงที่ถาวรพระเจ้าเห็นปัญหานี้<ะ>จึงบัญญัติทางเลือกที่สามขึ้นมานเรียกว่าทางสายกลางนั่นคืออนิพพานเป็นผลของทางสายกลางอความทุกข์แห่งกุศลธรรม ใช่ไหมคะท่านใช้คำนี้เ่อสครู่ท่านฟังฟังดีๆนะคะกุศลและธรรมคือธรรมในฝ่ายดียังมีความทุกข์อยู่มันทุกอย่างไรท่านไปบุญบอกว่าเพราะมันเปลี่ยนแปลงได้ยกตัวอย่างดีจังเลยค่ะดิฉันเองกำลังเจอเนี่ยความทุกข์จากกุศลและธรรมเนี่ยค่ะน้หนักมันขึ้นค่ะก็เป็นเรื่องที่พระพุทธองค์จึงเห็นว่าในเมื่อ เป็นทําฝ่ายดีก็ยังทําให้มนุษย์เกิดความทุกข์ได้จึงแสวงหาแล้วก็หาจนพบ ว, ว่าจะไม่ทุกข์เลยอืมจะทําอย่างไรอย่างนั้นใช่ไหยคะนั่นคื อ, อปฏิบัติตามมารยมารคมีองค์แปดคือธรรมะอย่างที่เราบอกว่าอันนี้ควรละอันนี้ควรทําให้เจริญเนี่ยแล้วเราพูดถึงเรื่องความทุกข์ใช่ไหะทําให้ความทุกข์เนี่ยบางคนหลายๆคนส่วนมากเลยเข้าใจว่าทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรล ะ, ะฉันต้องละทุกฉันต้องละทุกผิดเลยแต่คุณผิดคุณคิดผิด <c oughs> ความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรอบรู้แต่สิ่งที่ต้องละเนี่ยคือตัณหาตัณหาคุณต้องละความทุกข์กุณต้องรอบรู้ค<ฆ>่ะบางทีความทุกข์กับตัณหาเนี่ยบางคนคือบางคนบอกเออฉันอยากมีความสุขฉันไม่อยากมีความทุกข์ใช่ไหมค่ะทําให้ตัวเองคิดว่าจะต้องละความทุกข์แล้วก็หาความสุขแต่คุณทําผิดละเนี่ยคุณต้องละตัณหาทุกข์กับสุขเนี่ยเป็นของที่คุณจะต้องคุณกําหนดรู้ แหมฟังก็ใจยากไหมก็มยากเลยคะอะหมายถึงว่าถ้าไม่มาชี้ให้เห็นอย่างเนี้ยยังคิดว่าคนไม่เขา้าใจเนะแล้วมันมาติดกันเลยนะคุณโ ย, ต ย, นะยมติดรึไหมฉันอยากมีความสุขฉันไม่อยากมีความทุกข์อยากกับไม่อยากนี่คือปัจจัยกิวิภัตตาใช่ยไหมมันไปติดนั่นกับสุขและทุกข์เลยนะซึ่งสุขและทุกข์เนี่ยเราต้องแยกออกสุขและทุกข์ฉันต้องกําหนดรู้ไอ้ส่วนตนัณหาปาทิ้งทิ้งไปเลยท่านคะพูดถึงอย่างนี้ทําให้ดิฉันนึกถึงเวลาที่ เราเรียนหนังสือในวัยเด็กแลเราก็ต้องท่องใช่ไหมคะว่าหลักการของพระพุทธศาสนาก็คือให้ละความชั่วทำความดี อ, ม อ, มอันนี้ละได้ไหมคะความชั่วละความชั่วทำความดีความชั่วในที่นี้ก็คือตัณหาไงเพราะฉะนั้นให้ละเนี่ยถูกแล้วใช่ใช่ใช่ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าละทุกเนี่ยไม่ถูกไม่ถูกทุกต้องกาหนดรู้ ต้องกำหนดรู้คืต้องรู้จักมันใช่รู้จักมันในแง่ที่มันทําประโยชน์อะไรให้ในความสุขความทุกข์เปลี่ยนแปลงยังไงอะไรเป็นทางแก้เราต้องรู้ตรงนี้ดิฉันอยากจะทราบว่าคํากล่าวที่ว่าถ้าเราปฏิบัติทำใหม่ๆไม่จําเป็นต้องรู้มัม้งหมายถึงว่าเป็นธรรมะขั้นสูงเนี่ยมันรู้ทีหลังต้องรู้ตอนไวัยไหนรู้เมื่อปฏิบัติ ไปได้ขั้นใดอันท่านคะเอ่อตอนปฏิบัติทําใหม่ๆนี่ก็จริงๆแล้วรู้ตรงไหนก็ได้นะคือตรงไหนถ้ามันรู้ได้เอาตรงนั้นเลยคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัยวุฒิหรือว่าอายุของคนนะอมันอยู่ที่ว่าคุณสามารถเห็นตรงไหนได้คุณเอาตรงนั้นคือคือเราไม่จํำกัดรูปแบบเลยอะไรที่จะพ้นทุกข์ได้เราเอาตรงนั้นท่านคะทีนี้ก่อนจะพ้นทุกข์กลับไปเรื่องทุกข์เฉยๆกัอนออือแล้วทุกข์ล่ะคะที่บอกว่าเป็นสิ่งที่ต้องรอบรู้เนี่ย ตอนไหนถึงจะไปต้องรอบรู้ทุกค่ะต้องทุกเวลาอยู่แล้วไงแม้กระทั่งเวลาที่เรามีความสุขนะซึ่งความสุขที่เราแบบรู้สึกสบายอย่างเงี้ย น, นั่นก็คือความทุกข์อย่างหนึ่งท่านนับเป็นวัยตามอายุของคนอของการเรียนรู้ถ้าเป็นเด็กๆนะก็จะให้เรียนวิธีการอยู่ร่วมกันในสังคมก่นอนเสร็จแล้วก็ค่อยเรียนหนังสือกอไก่ขอใครอบซหนึ่งสองามสี่ เด็กๆ เ, เนี่ยควรจะรู้ทุกไหมคะโอ้โอไหไม่จําเป็นต้องรู้ต้องรู้ต้องรู้อย่างเราก็เคยท่องมาตั้งแต่สมัยเด็กใช่ไหมครับ อ, อันนี้เราก็จําได้แต่ว่าเรายังไม่เข้าใจนะซึ่งความรู้ข้อมูลอะไรต่างๆนี่ก็สามารถทําให้เราเข้าใจมในเวลาที่เราเห็นทุกได้เห็นทุกมันต้องเห็นธรรมนะถึงจะเห็นธรรมได้ค่ะคือทีฉัน ท, ที่ที่ฉันสงสัยเนี่ย เป็นเพราะ่าพอเรามาเรียนรู้หลักของพระพุทธเจ้าที่เราก็มาเรียนรู้ตอนที่เรารู้ทุกอย่างหมดแล้วนะคะหมายถึงว่าทางด้านของกระบวนการศึกษาตามปกติในนี้ดิฉันเข้าใจว่านี่มันเป็นเรื่องธรรมชาติของม น, นุษย์นะทุกนี่มันก็ไม่ได้เลือกว่ามันจะมาเกิดตอนอายุยี่สิบใช่นะคะดิฉันก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะในระบบการเรียนการสอนเนี่ยควรจะให้เด็กเนี่ยเหมายนกับว่ามีทิฏฐิที่ถูกต้องคือ ถ้าอันนี้นี่ถึงเรียกว่าเดินมาร์กเลยถูกไหมคะที่ว่าจะต้องเข้าใจในอริยศาสตร์คือมันมีเรื่องของทุกข์อยู่ด้วยใช่<อ>ใช่คือคือบางทีบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันยากในการที่จะเข้าใจอเอ า, อางั้นคุณทําเรื่องที่คุณทําได้ก็เอาเรื่องแค่ศีลเนีศ<อ>ีลนะสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยคือคุณเดินมาร์กเลยเอาง่ายๆเอาเท่าที่คุณทําได้ก่อนในพระเจ้าจึงพูดยังไงว่าเออละความชั่วทําความดีทํากุศลให้ถึงบารมี สมมุติยิงเด็กๆไงคะท่านคะน ค, คือกําลังนึกถึงว่าเวลาเราสอนเด็กเล็กเลยออืเด็กที่เพิ่งเรียนรู้เนี่ยเพิ่งพูดได้ไม่มากนะคุณแม่คุณพ่อเห็นว่าพอจะสอนได้ละเรื่องศีลที่ท่านว่าเนี่ยอืสอนอะไรก่อนดีก็สอนอย่าไม่ให้โกหก น, นเด็กนี้ต้องรู้จักความไม่โกหกอแล้วก็เรื่องยาเสพติดก็ต้องสอนเขานะให้เขาอย่าไปเสพยาเสพติดอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่า ถ้าคิดว่าลูกเราพอสอนอะไรได้ในกรอบของศีลอย่างนี้ก็ถือว่าให้สอนไปแล้วเท่ากับว่าขณะนั้นเนี่ยเราพูดกัเรื่องทุกข์กันค่ะศีลเเรื่องทุกข์นี่เรื่องเดียวกันสีมคะศีลเนี่ยเป็นเรื่องของมรรคเป็นทางที่ให้พ้นจากความทุกข์ถ้าเรามารู้มรรคเนี่ยช่อว่าคุณมารู้ความทุกข์หนึ่งในสามอย่างที่คุณต้องรู้ในความทุกข์ดังนั้นการที่คุณพ่อคุณแม่สอนให้ลูกมีเมตตา อย่าไปทำร้ายสัตว์นะอืมอย่างนี้ก็เท่ากับว่าคุณพ่อคุณแม่กําลังสอนเรื่องทุกข์ให้กับลูกแล้วถูกไหมถูกต้องทั้งสอนทั้งทุกข์สอนทั้งมรรคในอย่างนี้นะคะท่านฟังเห็นไหมคะมันเป็นเรื่องที่บางทีเรานึกไปไม่ถึงแต่นัานน่ะกําลังทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์มากเพียงแต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่มีความรู้ทางด้านพุทธวจนะเนี่ยนะคะก็จะทําให้หนักแน่นและมีความเชื่อมั่นมากในสิ่งที่กําลังสอนอยู่ว่ามันให้ผลอะไรใช่ ท่านไผ่บูรณ์คบวันนี้ท่านเตรียมอะไรมาฝากท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของพุทธชยันตีเฉลิมฉลอง 2,600 ปีพระพุทธเจ้าแล้วก็จะพูดตอนนี้เลยนะคะก็มีข้อหนึ่งที่พระุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมเนี่ยจะมีทุกๆแบบมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาในพระองค์บอกว่ามีบทสนทนามีบทสนทนาแบบถามโต้ตอบนะมีพระสูตรเป็นเรื่องราวที่เล่าให้ฟังนะเป็น คาถาก็มีเป็นคาถาสรุปท้ายพระสูตรเป็นคําอุทานก็มีลนนักษณะนี้เพราะฉะนั้นคำคำคำเหล่านี้เราก็บันทึกเอาไว้หมดจึงเป็นในพระไตรปิฎกที่เราได้มาศึกษากันอยู่ทุกวันนี้เขาเรียกว่าเป็นสุตตะเยะเวยากระคาถาอิติวุตติกาชาติกอภุตธรรมะพวกนี้ทั้งหมดนะอภุตธรรมะนี่คือคือธรรมที่เบื้องสูงพูดถึงมรรคผลนิพพานพวกนี้นะหมวดของโพธิปักจจะธรรมสาิบเจ็ดตรงนี้ อย่างไรก็ตามตรงนี้พระชาะบอกว่าเป็นปริยัตินะเป็นปริยัติที่ถ้าผมว่าเรามาเรียนรู้ให้ดีแล้วเนี่ยจะทำให้พระสัตว์ดำตั้งอยู่ได้นานนี่มันนานมาถึงสอง0ัหร้อยปีแล้วละ่ะค่ะก็เท่ากับว่าที่ผ่านมานี่ก็เรียนรู้กันมาดีนะคะใช่ได้ผลอยู่ดีมากประเด็ น, นคือท่านกำลังจะบอกท่านผู้ฟังว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงใช้ศิ ล, ละปะในการสอนหลากหลายรูปแบบใช่หมคะใช่ใช่ แล้วก็ในหลากหลายโอกาสในโอกาสที่เปลี่ยนแปลงไปแต่และบุคู้แต่และคนก็คือเป็นสารถีที่ฝึกคนควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าจริงๆอะ่ะค่ะนี่คือคุณสมบัติของพระพุทธองค์เป็นสารถีที่ฝึกคนควรฝึกได้อย่างไ ม, มไม่มีใครยิ่งไปกว่าใช่ก็เป็นสุดยอดของครูถ้าพูดถึงคำว่าสารถีเป็นผู้ฝึกเนี่ยครูผู้ฝึกที่เลิศในโลกว่าะั้นเถอะใช่ถูกต้องถูกต้อง แเราก็ควรจะมีความมั่นใจในเรื่องนี้แหละทำให้ได้ทำให้ถึงนะครับเพราะว่าทรงตรัสสอนไว้ในที่นี้คงจะหมายถึงว่าเรื่องเดียวสอนหลายแบบั้ยคะออมีทั้ง ท, ทุกทุกแบบเลยเรื่องเดียวสอนหลายแบบหลายเรื่องสอนหลายแบบก็มีค่ะเรื่องเดียวสอนแบบเดียวก็มีอ๋อค่ะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยก็จะมีวิธีในการสอนที่ใช้ศิลปะ สอนเรื่องนี้สอนชาวนาก็ยกตัวอย่างที่ชาวนาเข้าใจง่ายใช่ใช่นะคะสอนท<ม>หารก็ยกตัวอย่างที่ทหารเข้าใจง่ายใช่ใชดิฉันค่ ะ, <อ>ะจำได้ว่าพระพุทธองค์พูดถึงคนที่จำพุทธวจนะได้ ม, มากเหมือนกับมีอาวุธใช่ไหมคะถูกต้องสุตตะเนี่ยคืออาวุธของบุคคลผู้นั้น เป็นการรักษาเมืองถ้าเรามีทรงสุดตระมากสังสมสุดตระมากเนี่ยจะทําให้มีอาพุธในการรักษาเมืองมากนั่นคือจิตของเราแล้วเองเรนก็ไม่ทราบว่าท่านตรัสสอนผ่านใครนะคะแต่ว่าทรงฟังดูเนี่ยเหมือนกับสอนทหารยังไงชอบกลใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องกญญารยานครที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้อ่า <c oughs> ค่ะนะคะและเนี่ยคะ่ะเราจะต้องรู้จักพระพุทธเจ้าของเราให้มากนะคะเพราะว่ามันจะได้ เกิดความอิ่มเอิบใจแล้วก็เกิดความศรัทธาอย่างมากได้ถ้ารู้ว่าพระพุทธค์นั้นทรงมีความสำคัญอย่างไรแล้วทรงมีประวัติในการประพฤติปฏิบัติในการถ่ายทอดสิ่งที่สูงสุดคือธรรมะของพระพุทธองที่ก็บอกว่าเหมือนกับตัวของพระพุทธองยังอยู่คือเป็นศาสด า, าของพวกเราถูกต้องนะค่ะวันนี้ถ้าท่านจะฝากเอาไว้ให้ท่านทั้งหลาย ได้ปฏิบัติเพื่อที่เป็นการยกย่องเทิดทูนบูชาในโอกาสที่ 2,600 ปีท่านปีนี้อธิมาจะต้องการให้นึกถึงความตายค่ <c oughs> นะให้ระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆระลึกถึงความตายทุ่นๆอย่างนี้เหรอคะเอ่อระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆค่ะไม่หมายความว่าระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆอย่างทุ่นๆนี้นนี่แหละ <c oughs> ไม่ไม่ใช่ค่ะดิฉันหมายความว่าท่านไม่มี ไม่มีบอกอะไรเพิ่มเติมลเลยครว่าระลึกถึงอย่างไร อ, อ๋อ ด, ด้วยวิธีการอย่างไรใช่ไหมเอามีมก็คือว่าผ่านกลางวันมากลางคืนนะเหตุแห่งความตายมีมากเด๋ยวมแมลงป่องตอยอมนุษย์มาฆ่าเดินหกลม้มโอ้ยความตายจะมีกี่เราเอ้ยมีไหมนะอคุสนลธรรมบาปอคุสนลธรรมในจิตที่เราอย่างละไม่ได้ถ้ามีให้รีบละเสียแตนะถ้าไม่มีให้เธออยู่ด้วยปีติและปราโมทไปอันนี้คือวิธีการพิจารณาความตาย นะคือให้พิจารณาว่าตั้งแต่กลางวันยันกลางคืนเนี่ยให้ดูดีๆว่าประสบการณ์ที่เราจะต้องเจอโน่นเจอนี่เจอนัอน่เ น, นเนี่ย ม, มีหลายอย่างมากที่ทําทให้เราเสียดตายได้ ด, ดังนั้นดัังนน้เราจรึงต้องรีบรักุศุถ้าถ้ า, ถาสเสปที่สองนะมีขั้นตอนที่สองคือเรามาดูว่าในจิตของเรามีบาปอคุศน์ไหมถ้ามีรีบลักทันทีถ้าไม่มีก็ให้อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั้นต่อไป ค่ ะ, ะคือเหมือนกับว่าส่วนใหญ่คนมักจะมีบาบมีอกุศลไม่มากก็น้อยไม่แบบนี้ก็แบบนั้นใช่ก็ให้ละมันซะถูกต้องละอกุศลค่ะอืแต่ถ้าเป็นพวกที่มีน้อยหรือไม่มีเลยก็ให้วก็ว่างๆอยู่อ่ก็ให้อยู่ด้วยปีติและปราโมทต่อไปอย่างนี้ค่ะคืออารมณ์ที่ไม่มีอกุศลนี่จะเป็นอารมณ์ที่ปิติปราโมท<ม>อย่างนั้นหรือไงคะถูกต้องเป็นสมาธิอยู่ในตัวเลย อ๋ออาจจะมีความคิดนั่นนู่นนี่บ้างแต่ว่าไม่มีความกังวลมีแต่ปีติประโมทค่ ะ, ะคือถ้าเป็นคนทั่วๆไปไดิฉันคิดว่าอ่าอาจจะไม่ค่อยได้นึกเพราะว่าเอ๊ะจะไป น, นึกถึงมันทําไมอืมอาจจะไม่กลัวด้วยซ้ําแต่ไม่รู้จะไป น, นึกถึงมันทําไมมีเรื่องให้นึกเึเยอะแยะออืแต่ว่าถ้าสาหรับคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยส่วนใหญ่ดิฉันกลัวอะไรไหนลายนั้นพูดเลยจะบอกว่ากลัวว่ามันจะ ตาตอนไหนก็ไม่รู้ก็จะไม่ประมาททําในสิ่งที่ท่านบอกเนี่ยแหละนะคะใช่ลาอกุศลค่ะวันนี้ก็คงจะพอแก่เวลาไหมคะได้หมดเวลาพอดีหละนะคะธรรมส ก, การขอบพระคุณท่านไพริบุญเป็นอย่างยิ่ ง, งท่านฝังที่ครบคะ่ะท่านเพริบุญในพิพิณโนวัดป่าอนไยโซร อ, อนธานีมีที่ให้ท่านติดต่อถามคําถามคือเพียวธรรมะดอทคอมลปหนึ่งศูนย์หกค่ะวันนี้สรนนิษฐานนาดําเนินรายการโดยสันนิษฐนนาคพงศ์นะคะก็ ต้องบอกว่าเชิญชวนท่านทั้งหลายมาพบกับประสงค์ทั้งสองรูปในรายการและดิฉันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่ FM106 สทรอครอบครัวข่าวแห่งนี้นะคะพุทธสวัสดีค่ะ